ในศาสนาพุทธศาสนาชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นชีวิตเพื่อการศึกษานะศึกษาในที่นี้ก็หมายถึงว่าฝึกฝนพัฒนาตนซึ่งต่างจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เวลานี้ที่เขามองว่าชีวิตเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการแสวงหาความสุขหรือว่าการเสพสุข ซึ่งหมายถึงการสะสมการมีการครอบครองให้ได้มากๆตามแนวคิดของบริโภคนิยม เ, ยเดี๋ยวนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ายุคนี้มันเป็นยุคบริโภคนิยมคือมองว่าเนี่ยความสุขอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่การมีการได้ชีวิตที่จัเจริญชีวิตที่ต้องมีเยอะๆเศรษมากๆ ที่ก็ใช้คาว่าชีวิตใช้ชีวิตมันเต็มร้อยใช้ชีวิตเต็มร้อยนี่ความหมายที่มันซ่อนอยู่คือการเสพการสวงหาความสุขให้เต็มที่นจนมีคาพูดว่าเนี่ยความสุขที่ดื่มได้อันนี้จะว่าเป็นการมองแบบโลกๆ ก, ก็ได้นะถ้ามอง ในทางธรรมเนี่ยชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตเพื่อการศึกษาเพื่อการฝึกฝนตนศึกษานี่ภาษศาสนาใช้คาว่าศึกษาศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตนะแต่ว่าภาษาบาลีคือศึกษาเวลาพูดถึงศึกษานี่เราก็นึกถึงไตรศึกษานะไตรศึกษานี่ก็คือการศึกษาหรือการพัฒนา สามิตนะิซึ่งชีวิตคนเราเนี่ยควรจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นทุกข์ตจสืขานี่มันก็เป็นเป็นหลักพื้นฐานนะของการดำรงชีวิตแบบชาวพุทธนะศีล ส, สมาธิปัญญาคาว่าตราสืขามันก็บอกอยู่ในตัวนะว่าชีวิตของคนเราโดยพาะ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็คือการศึกษาพัฒนาตนอย่างครบถ้วนทั้งสามิติสามระดับกายวาจาก็อันหนึ่งละจิตก็อันหนึ่งละแล้วก็ปัญญาก็อีกอันหนึ่งนิท่านอาจารย์พุทธทาท่านก็สรุปสาระสำคัญของใจศึกษา ที่จำได้ง่ายนะสะอาดสงบแล้วก็สว่างนะสามสอจุดมุ่งหมายหรือประโยชน์ของสีก็คือเพื่อทำให้เกิดความสะอาดทางกายวาจาซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณธรรมนะคุณธรรมที่หมดจดนะไม่ด่างพร้อยเวลาเราจะ ผ้ว่าเน่ชีวิตใครเนี่ยมันด่างพร้อยหรือว่าหมดดเนี่ยก็ต้องดูที่ความประพฤติทางกายวาจาคือศีลนั่นแหละ้กายวาจาสะอาดเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะได้ไม่ไปก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นและหลายเดียวก็คือเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพราถ้าว่าเรา ไม่มีศีลหรือว่าศีลของเราไม่ถึงพร้อมเนี่ยมันก็นอกจากไปก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นแล้วมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนใจเกิดความทุกข์แก่ตัวเองแล้วมันก็ยังไป็นสุภาักนะต่อการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นไปนะก็นั่นคือความสงบ สงบนี่ก็เป็นเรื่องของสมาธินะซึ่งเป็นเรื่องของจิตนะคำ ว, ว่าจิตเนี่ยการพัฒนาจิตเนี่ยท่านก็เล็งไปถึงเรื่องของการพัฒนาตามหลักที่เรียกว่าสมาธิสมาธินีนความหมายมันมีทั้งความหมายแคบและความหมายกว้าง ความหมายแค่ว่าเป็นเรื่องของความตั้งมัน่นที่เราเรียกนะสัมมาสมาธิแต่ว่าสมาธิในความหมายก็คือการพัฒนาจิตซึ่งก็รวมไปถึงการฝึกจิตให้มีเมตตากรุณามีขันติมีวิริยะมีสติอะไรที่เกี่ยวกับารพัฒนาจิตเนี่ยก็จัดอยู่ในฝ่ายของสมาธิซึ่งประโยชน์ ที่เกิดขึ้นก็คือสงบนะอย่างที่ท้าจากพุทธทาสว่าอันนี้ถ้ากายว่าจะเราไม่สะอาดหรือศีลเราไม่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็มีผลนะต่อการฝึกจิตให้มีความสงบหลายคนเนี่ยศีลบกพร่องพอจะมาฝึกจิตด้วยการทำสมาธิ ราะว่าจิตเนี่ยก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เพราะว่าการกระทำที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยมันคอยมารบกวนบางคนก็เคยไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์บางคนก็ไปก่อการก่อกำทำเขียนเบียดเบียนผู้อื่นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มาคอยรบกวนจิตใจทำให้การทำสมาธิ ให้เกิดความสงบนะเป็นไปได้ยากเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกินเหล้าเนะมายาผิดศีลหนี่ก็ยิ่งทำให้การทำสมาธิให้เกิดความสงบนี้เป็นไปได้ยากที่จริงอย่าว่าแต่การเบียดเบียนที่ที่รุนแรงชัดเจนแนะม้กระทั่งการเอาเปรียบ ผลใกล้ชิดเนี่ยเห็นแก่ตัวบางทีก็มีผลนะต่อการทำสมาธินะ <c oughs> พี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ่าอายุประมาณ8ปก้าขวบเป็นคนที่เอาใจตัวมากเลยมีพี่น้องแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีน้ำใจเท่าไหร่ มีอะไรก็ไม่ค่อยชอบแบ่งให้ใครแถมแย่งเขาอีกนะไปแย่งของเขาไม้จะเป็นขนมของเล่นของกินเนี่ยพราะไ้ถือว่าตัวเป็นที่รักที่โปรดปรานของพ่อแม่แตอนหลังก็มีพระมาชวนให้นั่งสมาธินะ้เธอก็ สนใจนะแต่พอนั่งสมาธิไปเนี่ยพอใจมันสงบนะมันจะมีนิมิตนะเป็นตัวหนังสือสองตัวนะงองงูกับกอไก่เด็กก็สงสัยนะเพราะว่านั่งสมาธิทีไรมันก็มีอักษรสองตัวนี้โผล่มาในนิมิตอยู่เรื่อยๆ วันนี้ก็เลยถามแม่ว่าเนี่ยไอ้งองงวกอไก่มันคืออะไรแม่ก็บอกว่าลองสะกดดูสิมันอ่านว่ายังไงงกเนี่ยเดี๋ยวก็เลยถามใครงกนะแม่ก็บอกว่าเนี่ยใครเห็นก็คนนั้นแหละงกนะเดี๋ยวก็เลยรู้แล้วว่าโอ้ตัวเองนี่มันงกนะคุณธรรมหรือมโนธรรมเนี่ยในจิตคนเราเนี่ยมันฟองไง แม้ว่าจะไม่ได้ไปเบียดไม่ได้ไปผิดศีลแบบผิดศีลข้อที่หนึ่งถึงนะแต่ว่าการที่เอาไปเบียดเบียนบางทีมโนธรรมในใจมันก็รู้นะแล้วมันก็ฟ้องฟ้องเจ้าตัวนะซึ่งก็ทำให้การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก็เลยเกิดขึ้นได้ยากนะ นนความสะอาดของกายวาจานี่ยมันทำให้เกิดความสงบในใจการจรินสติแบบหลงวงพ่อเทียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มุ่งความสงบนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยก็จะเกิดความสงบในจิตใจนะเป็นเบื้องต้นเลยถึงแม้ว่าใหม่ๆมันจะฟุ้งซ่านมากนะ แต่ความพุ่งซ่านเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีความคิดเยอะไอ้ความพุ่งซ่านเนี่ยที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจมันเป็นเพราะว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็หลงเข้าไปในความคิดนั้นไหลเข้าไปในความคิดนั้นเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติแล้วเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่สอนให้ไม่ได้แนะนำให้ไปห้ามความคิดหรือไปหยุดความคิดอันนญาความคิดมันเกิดขึ้นได้แต่พอมันมีความคิดแล้วก็เห็นมันพอเห็นแล้วเนี่ยการวางหรือการถอนจิตออกจากความคิดนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือความสงบจริงๆเนี่ยเพียงแค่เพียงแค่รู้เนื้อรู้ตัวนะหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือมารู้กายเนี่ยเวลากายทำอะไรใจก็รู้ว่าทำไม่ว่าจะเป็นการยกมือการเดินการอาบน้ำการถูฟันใจที่มีกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเนี่ย โดยธรรมชาติมันก็จะสงบอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เพ่นพ่านะมันไม่ไปขุดคุ้ยเรื่องรนะาวในอดีตมาให้เกิดความโกรธความแพ้ความเศร้าโศกหรือไม่ไปปรุงแต่งภาพในอนาคตที่ทำให้เกิดความเครียดความกังวลเมื่อแก้วตามที่ใจมันอยู่กับกายเนี่ยที่เรเรียกว่ามีสติรู้กายเนี่ย ความสงบก็เกิดขึ้นได้นะแม้ว่าเปิดตาแม้ว่าเดินแม้ว่าทำกิจต่างๆแต่ว่ามันไม่มีความคิดฟุ้งซ่านหรือการที่จิตเพ่นพ่านออกไปนอกตัวตัวนี้ก็เป็นความสงบนะที่เกิดขึ้นได้นะเวลา เนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีกายเป็นถามแต่ถึงแม่จะมีความคิดเกิดขึ้นเพราะเผลอคิดนะแล้วก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความโกรธความโศกความเศร้าแต่ถ้ามีสตินะรู้ทันเห็นมันนะมันก็ไม่ทุกข์นะหรือผู้อย่งคือว่ามันก็สงบได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอความทุกข์หรือความไม่สงบในจิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความคิดเท่าไหร่นะอย่างที่เคยยกตัวอย่างอุปมาว่าเนี่ยเรือเนี่ยไม่ได้จมเพราะว่าน้าที่มันอยู่รอบเรือนะแต่เรือจมเพราะว่าปล่อยให้น้าเข้าเรือหมายความว่า เพียงแค่มีความคิดเกิดขึ้นในใจหรือมีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นในใจเนี่ยยังไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์นะต่อเมื่อไปแบกไปยึดนะอารมณ์หรือหลงเข้าไปในความคิดรวมไปถึงการไปผักใสยความคิดเหล่านั้นด้ว ย, ยต่างหากที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ น, นีคนจำนวนมากเนี่ยไปเข้าใจว่าใจสงบได้เนี่ยมันต้องไม่มีความคิดก็เลยไปพยายามมาฝึกพยายามทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นซึ่งทีจริงแล้วแม้มีความคิดเกิดขึ้นนะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ใจก็ยังสงบได้ถ้าว่าเห็นมันเห็นด้วยอาการรู้สื่อ พอพอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการวางเกิดการปล่อยหรือว่าไม่ไปแบกไปยึดเปรียบไปก็เหมือนกับว่าแม้ว่าน้ำเนี่ยกับใบบัวเนี่ยนะแม่น้ำเนี่ยมันจะฉาบใบบัวอยู่นะแต่ว่า ตาใดที่มันซึมเข้าไปใบใบบัวไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือตาใดที่น้านเนี่ยมันยังอยู่รอบเรือมันก็ไม่เกิดปัญหาจนกว่าน้ำจะเข้าไปในเรือในการเจริญสติเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่ได้เน้นการห้ามความคิดหรือการดับความคิดอ น, นุญาตความคิดเกิดขึ้นได้แต่ว่า มันคิดแล้วเนี่ยถ้ารู้ทันนะรู้แล้ววางด้วยอาการรู้ซื่อเนี่ยนะมันก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์หรือว่าเกิดความว้าวุ่นฟุ้งซ่านได้พูดง่าคือว่าเกิดความสงบได้เหมือนกันอีกอย่างนึคือว่าอาการรู้ซื่อเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยสามารถจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ทางรูปรล้วกินเสียงสัมผัสนะที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใจยอมรับได้นะยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางมันก็ไม่ทุกนะไอ้ที่ทุกเนี่ยนะเพราะว่าใจมันไปผักใสใจมันไปต่อต้านหรือใจมันไปไหลเข้าไป ตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตให้รู้จักรู้ซื่อหรือยอมรับมันได้เสียงดังมากระทบหูก็ก็แค่รู้เฉยเฉยหรือยอมรับมันไม่ไม่คาดหวังว่ามันจะต้องสงบนะมีแมลงมา ร, งรบกวนก็ยอมรับมันได้รู้ซื่อจิตมันก็ไม่หงุดหงิดนะความสงบก็กลับคืนมา สู่ใจอันนี้เรียกว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นนะจากการเจริญสติไม่ใช่เพราะดับความคิดแต่ว่าเพราะรู้ทันความคิดหรือว่าสงบเพราะรู้ก็ได้นะตาก็ยังเห็นรูปหูยังได้ยินเสียงนะแต่ก็ยังสงบได้ไม่ใช่ว่าต้องปิดตาไม่เห็นรูปต้องปิดหูไม่ให้ดได้ยินเสียงจิตจริงสงบไม่ได้ไม่ใช่ น, นาราปฏิบัติาการจระสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าทําถูกต้องนะมันก็จะเกิดความสงบอความสงบตรงนี้เราจะเรียกเป็นสมถะ ก, ก็ได้นะเพราะว่าสมถะ ก, กรรมฐานเนี่ยจุดหมายคือเพื่อเกิดความสงบแต่ว่าความสงบเนี่ยไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติ ในพุทธศาสนารวมทั้งการปฏิบัติตามในหลงพเทียนด้วยเพราะว่าสิ่งสาคัญก็คือความสว่างนะสะอาดแล้วใจสงบสงบแล้ยังไม่พอนะต้องเกิดปัญญาปัญญาที่ทำให้เกิดความสว่างภายในให้เวลาปฏิบัติเจริญสติแล้ว สงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอแล้วนะมันต้องไปไกลกว่านั้นนะคือฝึกให้เกิดปัญญาคือความสว่างถ้าเกิดสงบนะจกนกระทั่งไม่มีความคิดหอกมาเลยนีไม่ดีนะต้องกระตุ้นเลยนะกระตุ้นให้มันมีความคิดออกมาเพื่อได้อาศัยความคิดนั่นแหละเป็นตัวฝึกสติ หรือว่าเป็นการบ้านให้สติได้มาพิจารณาเมื่อสงบแล้วเนะี่ยก็ถึงขั้นตอนการพิจารณาหรือการเห็นความจริงของกายและใจอาทิตย์แรก็เห็นว่าเออไอความคิดและอารมณ์เหล่านี้มันไม่เที่ยงนะมาแล้วก็ไปตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นความเป็นอนิจจ์นะของของสังขารของความคิดและอารมณ์ แต่ต่อไปก็จะเห็นมากกว่านั้นนะเห็นว่าไอ้ที่เราเรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยที่จริงมันก็เป็นแค่รูปกับนามเวลาเราเดินยังมีสติเนี่ยนะเราจะเริ่มจะเห็นนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดิน เวลามีความคิดเกิดขึ้นไม่ใช่เราคิดแต่มันเป็นรูปที่คิดนะไอความสำคัญมาว่าเป็นเราเป็นกูเนี่ยมันจะค่อยถอดถอนหรือมันทอดหลวงพ่อคำเขียนต้นใช้เาว่าทะลุงนะทะลุงนี่เขาใช้กันแรกก็คือแยกนะส่วนที่เป็นแรกที่สำคัญออกมาจากก้อนก้อนที่ว่าเนี่ยนะมันก็คือ เดิมที่เราก็เครียดคือตัวเราตัวกูตัวกูคนเราเนี่ยมันก็มีความสำคัญมุ่หมายในตัวกูอย่างหนานน่นแต่พอเราเจริญสติเนี่ยเดินอย่างมีสติมันก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่กูเดินนะ่าจะเป็นรูปที่เดินความคิดละอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เรารู้สึกนะแต่มันเป็นรูปนะที่คิด หลวงพ่อเขียนใช่ครัว่ารูปทำและนามทำรูปมันทำนามมันทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทําเวลาเกิดเวทนาความปวดความเมื่อยขึ้นเนี่ยแต่ก่อนก็เกิดความสํำซ้อนมาหมายว่ากูปวดกูเมื่อยแต่พอเจริญสตินะมันก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแค่ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับเท้าเกิดขึ้นกับหลัง มันไม่มีความสำคัญมากนากเป็นกูที่ปวดเป็นกูที่เมื่อยพู้นานคือมันถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวกูหรือตัวตนออกไปแต่ก่อนไม่เห็นนะว่าเป็นรูปเป็นนามมันเห็นแต่กูกูกูตลอดเวลาเลยกูเดินกูนั่งกูคิดกูโกรธกูปวดแต่พอเจริญสติไปเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เกิดความสงบในใจแต่มันเห็นความจริงว่า ทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจมันถอนความยึดมั่นในตัวกูออกไปได้ตรงนี้เริ่มมันก็เป็นเกิดปัญญาเลยนะ เ, ยเรียกว่าความสว่างเริ่มเกิดขึ้นกับกับใจแล้วมันไม่ใช่แค่ความสงบเท่านั้นแต่เป็นความสว่างตรงนี้แหละที่เรียกว่าเริ่มจะเห็นนะสัจธรรมความจริงของกายกับใจของรูปกับนามคือไตละ แล้วพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทําให้ใจสว่างเดียวนะมันทําให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้แต่ก่อนเนี่ยมันก็ยึดมั่นนะในในร่างกายนี้ยึดมั่นแม้กระทั่งความคิดละอารมณ์ว่าเป็นของกูของกูของกูทั้ทงที่มันไม่น่ายึดเลยแต่นั่นเพราะความหลงเพราะความไม่มีสติแต่พอมีสติมันก็จะเห็นเลยนะว่า อันนั้นไม่ใช่กูแล้วมันก็ไม่ใช่ของกูด้วยอันนี้ก็จะทำให้คลายความยึดมั่นถือมัน่นขยายไปกทั่งถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวไม่ใช่แค่รูปและนามที่คลายความยึดมัน่นแต่ว่าถึงนอกตัวมันก็จะเห็นว่ามันไม่น่ายึดไม่น่าถือ แส่ศิลธรรมคือตรงนี้แหละนะก็คือการคลายความยึดมั่นในในตัวกูเวลาเห็นอะไรเกิดขึ้นกับกายนะมันก็ไม่ยึดว่าเป็นเป็นกูแต่เป็นเรื่องของกายตอนที่อาจารย์กำพลเนี่ยเจริญสตินะเริ่มเจริญสติเนี่ยอยู่บนเตียงเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากพลิกมือไปพลิกมือมา และหลวงพ่ อ, อเขียนก็สอนท่านทางจดหมายว่าเนี่ยไอ้ที่พลิกเนี่ยคือรูปนะและความคิดที่เกิดขึ้นมันคือนามสิ่งที่พลิกเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดเนี่ยมันคือน้ำพอเจริสติไปมากๆเข้าเนี่ยไม่เพียงแต่รู้ทันความคิดนะแต่ยังเห็นไปอีกว่าเนี่ยไอ้เวลาพลิกเนี่ยมันไม่ใช่เราพลิกนะมันคือรูปที่พลิก ไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นนามที่คิดพอพิจารณี้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็เห็นเลยนะว่าไอ้ที่พิการ น, นี่ไม่ใช่เราพิการ น, นะแต่มันเป็นแค่กายที่พิการเพราะมันเห็นความอาจารย์ของผมเห็นความจริงที่มันที่มันพื้นฐานมากเลยนะไอ้ที่พิการ น, นี่ไม่ใช่เราพิการ น, นะหรือไม่ใช่กูพิการ น, นะแต่มันรูปที่พิการ นะมันไม่มีกลัวพิการด้วยอาจารพ์ภพว่าตอนนั้นเองนะจิตมันเราจะความทุกข์เลยนะพราะไเผิอไปเผลอหลงคิดต้องนานนะว่ามันเป็นเราที่พิการเราพิการพิการจริงจรเนี่ยมไม่ใช่เราหรอกมันเป็นรูปที่พิการหนัหกมันไม่มีเราพิการเพราะมันไม่มีเราตั้งแต่แรกมันมีแต่รูปกับนามพอเห็นว่าไอ้ที่พิการนี่คือรูปนะหรือกายพิการ มันไม่ใช่กูพิการเนี่ยจิตมันคลายทุกไปเลยนะหายจากหลอกาจากความทุกไปเลยเพรามันมีประโยชน์มากเลยนะการที่เห็นความจริงเรื่องรูปและนามเนี่ยแต่เป็นเพราะการที่เราไม่มีสตินะเป็นเพราะความหลงเนี่ยไปทำให้ไปตีคลุมนะว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยคือเราปวดไอ้ที่พิการเนี่ยคือเราพิการทั้งที่มันเป็นเรื่องของรูป ที่เวลาเราสวดมนต์บทสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยรูปะกายนุปัสสนาเนี่ยคือการเห็นกายในกายเนี่ยเวทนานุปัสสนาเห็นเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสสนาเห็นจิตในจิตเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือเห็นกายว่าเป็นกายนะไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เรา ปกติเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันไม่เห็นอย่างนั้นนะมันเห็นรูปมันเห็นกายว่าเป็นเรามันไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นกายเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาแต่มันไปสําคัญเป็หมาเวทนาเป็นเราเพราะนั้นเวลาปวดเนี่ยมันไม่ใช่เห็นว่ากายปวดแต่มันเกิดความสังคันมา็หมาว่ากูปวดกูปวดและตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดความทุกข์นะ ไม่ได้เห็นตรงนี้นะถ้าเจริญสตินะเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ายกสู่ระดับวิปัสสนาแล้วนะจะเป็นวิปัสสนาก็ตรงนี้แหละก็ตอนที่เกิดปัญญานะเห็นความจริงของรูปและนามถอนความยึดมั่นในตัวกูออกไปถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแค่สมถะยังเป็นแค่ความสงบนะความสว่างยังไม่เกิด ให้เวลาปฏิบัติเนี่ยนะนาหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นวิปัสสนาไปตั้งแต่แรกนะเพราะบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แค่เป็นสมถะเท่านั้นแหละมันยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาต่อเมื่อกนะ้าวข้าจากความสงบนะจนเห็นจนเกิดความสว่างคือเห็นเข้าใจความจริงของรูปและนามเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตานั่ยละ ตรงนั้นแหละมันจึงจะเรียกว่าเข้าสู่วิปัสสนาแล้วซึ่งนั่นคือจุดมุ่งหมายด้วยของการปฏิบัติแตศิกขาเนี่ยมันคือศีลสมาธิปัญญาหรือสะอาดสงบสว่างสะอาดอย่างเดียวก็ไม่พอต้องสงบด้วยและสะอาดแล้วสงบแล้วยังไม่พอต้องสว่างอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ครบถว้วน